ความหลังในสังสารบทที่สิบเขาร้ายมาให้เอาดีเขาแก้ไขเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเอื้อมมือไปหยิบกาน้ำชากระเบื้องลายคราม มลินใส่ถ้วยกระเบื้องลายคลามที่เข้าชุดกันเป็นของที่ญาติโยมแข่งขันกันซื้อมาถวายจนบางรายแทบจะวางมวยกันเพราะต่างก็ต้องการให้ท่านใช้ของที่ตนถวายท่านไม่มีเวลามาสนใจกับเรื่องของวัตถุเพราะเห็นว่าเรื่องของจิตใจนั้นสาคัญกว่าท่านต้องการให้ญาติโยมพัฒนาจิตของตนเพื่อ ให้กิเลสอันเป็นต้นเหตุของความชั่วสามตัวคือโลภะโทสะและโมหะเบาบางลงจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงแต่ญาติโยมบางคนเขาก็ไม่เข้าใจแทนที่จะมาพัฒนาจิตกลับมาพัฒนากิเลสแข่งกันท่านจึงต้องคิดค้นกลวิธีและกุศโลบายมาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับจริตของแต่ละบุคคล หากไม่ได้วิชาดีมาจากหลวงพ่อในป่าท่านคงจะลำบากไม่น้อยทีเดียวน้ำชาที่ท่านฉันยังคงเป็นขนานแท้ดั้งเดิมคือทำจากต้นลูกใต้ใบกับต้นไมยาราบโยมผู้หญิงหลายคนพยายามซื้อชายอย่างดีมาถวายบ้างก็ว่าเป็นของดีจากยุโรปที่เมืองไทยไม่มีขายและที่สำคัญคือ คนฐานะจนหรือแม้ฐานะปานกลางก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อมาดื่มต้องระดับเศรษฐีเท่านั้นสารพัดสารพันที่จะทำให้ท่านสนใจในวัตถุท่านยึดหลักโพชเนมัตัญยุตาใครจะมาโฆษณาชวนเชื่ออย่างไรท่านก็ไม่หลงหลได้ปลื้มไปตามเขาไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนท่านเจ้าคุณชั้นเทพรูปนั้นน่าเสียดายที่บวชมาหลายปี แต่ไม่มีของดีติดตามตัวไปในประโลกเพราะไม่ได้ยึดหลักอปันนกะปฏิปทาข้อที่สองพระพุทธองค์ทรงสอนสุขขุมลึกซึง้งสมกับที่ทรงเป็นาศาสดาเอกของโลกโดยแท้ฉันน้ำชาพอชุ่มคอได้รสขมของต้นลูกใต้ใบแล้วท่านจึงบอกให้เจ้าทุกขกลายที่เจ็ดซึ่งเป็นสตรีวัยเดียวกับแม่เชิญสีเล่าปัญหาของหล่อนให้ฟัง สตรีนั้นกราบเบญจางขับประดิษฐ์อย่างแช่มช้อยเชื่องช้าเพื่อจะอวดว่าหล่อนกราบสวยกว่าจะครบสามครั้งก็กินเวลาไปเกือบสองนาทีท่านจึงพูดกับญาติโยมที่กำลังรอคิวอยู่ว่าใครที่รู้ว่าจะถึงคิวให้กราบล่วงหน้าไว้เลยอย่างตอนนี้คิวที่7คนคิวที่8ก็กราบล่วงหน้าไว้พอถึงคิวจะได้ไม่ต้องเสียเวลากราบ เพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองถ้าเสียเวลาก็เท่ากับเสียเงินเสียทองเป็นอันว่าเข้าใจทุกคนนะเมื่อท่านพูดจบสตรีนั้นจึงเล่าเรื่องของหล่อนว่าหลวงพ่อจ๊ะเพื่อนบ้านชอบนินทาฉันจ้ะมันเที่ยวเอาฉันไปนินทาที่ร้านทําผมบ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยบ้างที่ร้านกาแฟบ้างเรียกว่ามันไปที่ไหนก็ต้องเอาฉันไปนินทาทุกที่เลยจ้ะ ท่านเจ้าของกุฏิจึงถามหลอนว่าแล้วโยมรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเพื่อนบ้านเขาเอายมไปนินทาตรงโน้นตรงนี้ที่นั่นที่นี่ท่านถามเพื่อนบ้านอีกคนเขาเอามาบอกจะ้ะท่านพระครูรู้ทันทีว่าเพื่อนบ้านอีกคนก็ร่วมวงนินทากับเขาด้วยเสร็จแล้วก็ น, นำมาเล่าแบบเอาดีเข้าตัวคนเดียวท่านจึงถามว่า แล้วยมรู้ไม่ว่าทำไมเขาถึงเอายมไปนินทาก็พอรู้จักที่เขานินทาฉันเพราะเขาอิจฉาที่ฉันสวยกว่าเขาดีกว่าเขาเรียนสูงกว่าเขารวยกว่าเขาสามีฉันลูกฉันพ่อแม่ฉันก็ดีกว่าสามีเขาลูกเขาพ่อแม่เขาก็เลยอิจฉาคนฟังทั้งบุรุษและสตรีอดคิดไม่ได้ว่า หล่อนน่าจะพูดเกินความจริงเพราะถ้าอะไรๆในชีวิตหล่อนดีไปหมดแล้วยายต้องมาปรึกษาท่านพระครูหล่อนน่าจะเป็นคนไม่เต็มบาทหรือไม่ก็เกินบาทคือไม่สามสลึงก็ห้าสลึงนั่นแหละโอ้โหเหมือนอาตมาเลยขนาดอาตมาไม่มีอะไรดีเหมือนโยมก็ยังถูกอิจฉาโยมลองทายซิว่าใครอิจฉาอาตมา อา้าวให้ทายทั้งกุติเลยเออยกเว้นลูกศิษย์กับหลานอาตมาท่านหันไปทางด้านคนทั้งสองนั่งอยู่ทว่าไม่พบแม้เงาของศิษย์และหลานไม่รู้แวบออกไปตอนไหนท่านจึงพูดต่อใครทายถูกอาตมาให้หนึ่งแบาทท่านตั้งเงินรางวัลให้สูงถึงสิบหมื่นเพราะคะเนดูแล้วว่าไม่มีผู้ใดตอบได้ ญาติโยมแย่งกันตอบเสียงอื้ออึงจนฟังไม่ได้สับหากก็หาคนตอบถูกไม่ได้เลยพวกเขาจึงขอให้ท่านเฉลยท่านจึงเฉลยว่ากอแม่ผัวอาตมาไงละ่ะเขาอิจช้าอาตมาเพราะอาตมาสวยกว่าเขาท่านรู้ว่าจะมีคนประท้วง จึงต้องรีบอธิบายว่าในชาติที่อาตมาเป็นผู้หญิงอาตมาถูกแม่ผัวอิจฉาและกลั่นแกล้งสารพัดเพียงแค่อาตมาสวยกว่าเขาเท่านั้นเองเอาละทีนี้อาตมาก็จะสรุปให้ญาติโยมฟังว่าให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสมเพทเวทนาที่เขาอิจฉาเราเพราะเราดีกว่าเขา แต่ถ้าโยมยากโจนกระจอกงอกง่อยจะมีคนอิจช้าไหมไม่มีใจไหมเขาไม่อิจฉ้าแต่เขาสมเพทเวทนาแบบนี้เราจะเลือกให้เขาอิจช้าเราหรือว่าให้เขาสมเพทเวทนาเราละ่ะเราก็ต้องเลือกให้เขาอิจฉ้าเราใช่ไ้ยอาตมาจึงขอสรุปว่าให้เขาอิจฉ้าดีกว่าให้เขาสมเพทเวทนา ท่านพยายามถามเองตอบเองเสร็จเพราะถือคติว่าขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลาสตรีนั้นกําลังจะเอ่ยปากถามเรื่องถูกนินทาท่านก็รีบเอ่ยขึ้นก่อนว่าเรื่องถูกนินทาก็เหมือนกันอย่าว่าแต่โยมซึ่งเป็นขลาืหัดเลยอาตมาเป็นพระก็ยังถูกนินทา ท่านนึกย้อนไปถึงสมัยที่ท่านเก็บนายขาวกับนายแดงมาให้แม่ชีเลี้ยงทำให้ถูกนินทาถูกกล่าวหาว่าท่านมีลูกกับแม่ชีแม้แต่หลวงพ่อแพรซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ยังเชื่อกระทั่งเมื่อปี2515ที่ท่านไปศรีลังกาและหลวงพ่อแพรก็ไปด้วยหลวงพ่อแพรจึงรู้ความจริงว่า พระครูเจริญถูกนินทาโดยไม่มีมูลความจริงขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังมีคนนินทาและโยมจะไปเดือดร้อนทำไมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าคนพูดมากก็ถูกนินทาคนพูดแต่พอดีพอดีก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาพระองค์จึงตรัสว่า คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดอกเตอร์ภาษาบาลีว่ายังไรบอกที่มาด้วยท่านส่งเรื่องให้ด็อกเตอร์แผนนัตถิโลเกอนินทิโตอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อที่27หน้าที่44ครับด็อกเตอร์ไวัย45ตอบอย่างแคล่วครองว่องไวท่านเจ้าของกุติต้องการให้ด็อกเตอร์แผนเป็นหุน เพราะเขาเป็นคนไม่เรื่องมากจึงถามเขาอีกว่าด็อกเตอร์เคยถูกนินทาบ้างไหมก็ต้องถูกเหมือนกันกันกบคนอื่นๆนั่นแหละครับหลวงพ่อเหมือนกันกับคนอื่นๆนั่นแหละครับหลวงพ่อไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสว่านติโลเก อ, อนินทิโตพระพุทธองค์ทรงมีอนาวารณญยาณจะไม่ตรัสอะไรที่ไม่จริง ขอความกรุณาด็อกเตอร์ช่วยบอกชื่อยานที่พระพุทธองค์ทรงมีอีกครั้งได้ไหมครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและช่วยอธิบายความหมายของยานนี้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเจ้าทุกข์กลายที่หกขอเข้าบวชมาสองปีสอบได้นักธรรมโทหากไม่เคยได้ยินชื่อยานที่ด็ตอร์แผนพูดถึงอาณาวรณยานครับ ผมจะออกเสียงทีละคำช ta ้าๆนักครับอนาวรณญาณมีท nee ั้งหมดหกพยางอนาวรณญญาณคือปริชาอย่างรู้ที่ไม่มีอะไรอะไรมากั้นได้หมายความว่ารู้ตลอดรู้ทะลุโปร่งเป็นพระปริชายานเฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่ทั่วไปแก่พระสาวก พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีอนาวารณญาณพระสาวกหรือบุคคลอื่นนอกนี้ไม่มีเสียงร้องไห้ฮือฮือดังขึ้นได้ยินกันทั้งกุติผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นพากันเหลียวซ้ายแลขวาเพื่อหาที่มาของเสียงท่านเจ้าของกุติหาเจอก่อนใครอื่นสาวใหญ่ไวยงามนั่นเอง ท่านจึงถามว่าเป็นอะไรไปอีกลายโยมร้องไห้ทำไมก็อาตมาบอกวิธีแก้ปัญหาให้แล้วร้องไห้ทำไมอีกละ่ะเพลงก็ร้องให้ฟังแล้วชื่อเพลงอะไรนะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเจ้าค่ะสาวใหญ่ตอบทั้งน้ำตาท่านพระครูจึงแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเดิม คือร้องเพลงที่สาวณีโพธิเทศเป็นคนร้องอีกครั้งคราวนี้จะร้องให้เพราะกว่าคราวก่อนท่านยังไม่ทันจะร้องเสาวใหญ่ก็ชิงร้องเสียก่อนโ อ, โอ้น้าตาหรือจะแก้ปัญหาใจร้องไห้ทําไมร้องทาไมให้เปลืองน้ำตา จงยิ้มสู่โลกทิ้งความเศร้าโศกเถิดนาอย่าให้เขามาตราหน้าว่าขาดเขาเราหมดหนทางอ้าวเปลี่ยนจากร้องไห้เป็นร้องเพลงซะแล้วโยมนี่มีหลายฟิลลิ่งนะท่านใช้คำภาษาต่างประเทศ แล้วจึงถามเหตุผลที่หล่อนร้องไห้สาวใหญ่ตอบว่าก็หลวงพ่อกับดรแผนนัสิจโจคะที่ทาให้ดิฉันต้องร้องไห้ทำไมถึงมาลงที่อาตมาล่ะท่านพระครูพูดนอกใจทว่าดรแผนพูดในใจพร้อมๆกับที่ท่านพูดนอกใจว่าทาไมถึงมาลงที่เราล่ะ สาวใหญ่จึงเฉลยว่าก็หลวงพ่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทำให้ดิฉันมองเห็นพระจริยวัตรอันงดงามกับพระกรุณาคุณอันเลิศล้ำของพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวโลกทำให้ซาบซึ้งใจอย่างที่สุดนอกจากนี้พอเห็นหลวงพ่อมีเมตตาต่อพวกเราและกิริยาท่าทางของด็อกเตอร์แผน ที่มีต่อหลวงพ่อเต็มไปด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างล้นเหลือดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างที่สุดของที่สุดจนไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยร้องไห้ออกมาเจ้าค่ะอ๋ออย่างนั้นหรือเจ้าคะท่านพระครูไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านี้ไม่รู้วันนี้เป็นวันอะไรท่านถึงได้มาเจอคนขาดขาดเกินเกินมากกว่าทุกวัน เป็นไปได้หรือไม่ว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่พวกเขาไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรสู้กล่ำเกลือนเก็บกดไว้จนทำให้ขัดขาดเกินเกินไปตามๆกันหากก็ดีที่ทำให้ท่านมีงานทำไม่เช่นนั้นอาจจะขัดขาดเกินเกินเหมือนญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็ได้ เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงเห็นว่าถ้าให้ทุกคนมาเล่าปัญหาของตนทีละคนจนกว่าจะเสร็จก็เห็นจะเลยสองยามไปแล้วท่านมีกิจที่จะต้องไปนำทําวัดสวดมนต์เวลา18นาฬิกาตรงต้องเสร็จจากตรงนี้17นาฬกาหนาทีเพราะใช้เวลาหนาทีเดินจากกุฏิไปหอประชุมไม่มีเวลาได้เข้าห้องน้ำด้วยซ้ำไป เวลาสามชั่วโมงกับห้าบหนาทีที่นั่งอยู่ณที่นี้กับญาติโยมท่านจะนั่งพับเพียบตั้งกายตรงหลังตรงดำรงสติให้มั่นอยู่ตลอดเวลาไม่พลิกแม้แต่ครั้งเดียวแต่ญาติโยมณที่นี้พากันพลิกไปพลิกมาบางคนแทบจะพลิกทุกๆ20สิบนาทีมีอยู่คนเดียวที่นั่งไม่พลิกเลยคือ ดรแผนดังนั้นเพื่อประหยัดเวลาท่านจึงวานเห็นหนอให้ช่วยสำรวจว่าเจ้าทุกที่เหลือนี้มีปัญหาอะไรที่จะมาให้ท่านช่วยบ้างแล้วท่านก็จะช่วยแก้ให้ทีละกลุ่มเห็นหนอทําหน้าที่ได้รวดเร็วทันใจเพราะเพียงนาทีเดียวท่านก็รู้ว่าปัญหาหลักที่พวกเขาต้องการคาแนะนา จากท่านมีอยู่หกเรื่องเรียงตามลำดับจำนวนเจ้าของปัญหาจากมากไปหาน้อยคือ 1. สามีมีภรรยาน้อย 2. มีหนี้สินท่วมทน้น 3. พี่น้องแย่งสมบัติกัน 4. ถูกลูกนี่โกง 5. ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งเพราะไม่ให้ความร่วมมือในการช่อราชบังหลวง และปัญหาสุดท้ายที่มีเจ้าทุกเพียง3มรายคือ 6. ภรรยามีชู้ปัญหาแรกมีเจ้าทุกมากที่สุดคือ32รายผู้ที่นั่งอยู่ณที่นี้จึงมีสตรีมากกว่าบุรุษส่วนที่หอประชุมมีแม่พินกำลังให้ผู้ปฏิบัติทราเดินจงกรมและนั่งภาวนาอยู่นั้นมีสุภาพสตรีร้อยละ90 ที่เหลือเป็นสุภาพบุรุษแต่เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการปฏิบัติสุภาพบุรุษปฏิบัติก้าวหน้าถึงร้อยละเกขณะที่สุภาพสตรีปฏิบัติก้าวหน้าเพียงร้อยละยีบเท่านั้นเมื่อได้คําตอบเป็นที่พอใจแล้วสาวใหญ่กราบลาท่านเจ้าของกุฏิไม่ลืมที่จะถวายปัจจัยท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านช่วยบอกวิธีแก้ปัญหา จากนั้นก็ลุกออกไปท่านพระครูจึงพูดขึ้นก่อนที่จะทุกร์กลายที่8จะเล่าปัญหาของตนและหล่อนกราบล่วงหน้าแล้วท่านแจ้งให้พวกเขาทราบว่าท่านจะขอตอบปัญหาโดยแยกตอบเป็นกลุ่มๆเพื่อประหยัดเวลาและสิ่งใดที่ท่านแนะนำให้ปฏิบัติญาติโยมก็ต้องไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อจะได้แก้ปัญหาชีวิตได้ คลั้นตกลงตามนี้แล้วท่านจึงเริ่มตั้งแต่กลุ่มแรกซึ่งสมาชิกกลุ่มประกอบด้วยสตรีสามสิบสองคนแต่ละคนล้วนหน้าตาอมทุกข์ดูหงอยเหงาเศร้าสร้อยจนเสียสีท่านกำหนดรู้หนอเพื่อต้องการรู้ว่าในจำนวนนี้สามีไปได้ภรรยาน้อยเป็นใครมีอาชีพอะไรเมื่อรู้แล้วท่านจึงเริ่มตอบปัญหา โดยที่ไม่ต้องให้เจ้าทุกมาเล่าปัญหาของตนให้ท่านฟังอีกทีละรายญาติโยมที่รักทั้งหลายอาตมาสำรวจแล้วท่านที่นั่งอยู่นที่นี้มีปัญหามาปรึกษาอาตมาอยู่หกเรื่องอาตมาจะว่าไปทีละเรื่องโดยใช้จำนวนเจาของปัญหาเป็นเกณฑ์ ในการตอบก่อนหลังตามลำดับปัญหาแรกมีเจ้าทุก32รายและเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดคือปัญหาสามีมีภรรยาน้อยเรียกตามภาษาที่พูดกันตามปกติคือมีเมียน้อยใน32รายนี้สามีมีภรรยาน้อยเป็นคนใช้ในบ้าน16กรายเป็นหมอหนวด12ราย เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสี่รายและเป็นผู้ชายสารายบุรุษที่ท่านพระครูชมว่าหลอทั้งที่เขาไม่หลอทักท้วงขึ้นว่าหลวงพ่อครับเกินมาสามรายแล้วครับเพราะผมรวมแล้วได้35รายหลวงพ่อนับผิดหรือจําผิดครับไม่เกินหรอกโยมอัตมารับรองไม่เกินแล้วก็ไปได้นับผิดหรือจําผิด แล้วทำไมผมบวกได้35หล่ะครับผมขอทวนนะครับ16บหกบวกสองบวกสี่บวกสเท่ากับหผมว่าผมบวกไม่ผิดนะครับเพราะเตี่ยวสอนบวกด้วยลูกคิดตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเตี่ยฝึกจนผมบวกได้เร็วกว่าลูกคิดเสียด้วยเขาพูดอย่างภาคภูมิใจโยมบวกไม่ผิดหรอกแต่อัตมา ต, ต้องถามเจ้าของเรื่องเียกรว่า เขาจะยอมให้พูดไหมยังไม่ทันที่ท่านจะถามสตรีเจ้าของเรื่องบุรุษที่หล่อน้อยกว่าดรแผนนิดนึงก็ถามขึ้นว่าห mm. ลวงพ่อครับ mm. เป็นผู้ชายสามรายนี้หมายถึงสามีมีภรรยาน้อยเป็นผู้ชายหรือครับถูกแล้วอาตมานํามารวมในกลุ่มนี้เพราะเขาเป็นภรรยาน้อยไม่ได้เป็นสามีน้อย คำตอบของท่านเจ้าของกุฏิทำให้สตรี32รายที่หน้าอมทุกข์ได้คลายทุกข์ออกมาบ้างเมื่อได้เพื่อนคือรู้ว่าคนอื่นๆก็มีทุกข์เหมือนกับตนหลวงพ่อครับแล้ว32กับ35ล่ะครับบุรุษคนแรกทวงท่านพระครูจึงขอโทษเจ้าทุกกลุ่มแรกก่อนเฉลยว่า ขออภัยโยมผู้หญิงกลุ่มแรกที่มี32รายอาตมาจำเป็นต้องเฉลยเพราะไม่เช่นนั้นอาตมา ก, ก็จะถูกญาติโยมเข้าใจผิดว่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูดซึ่งจะเสียหายทั้งสองฝ่ายคือทั้งโยมทั้งอาตมาที่โยมผู้ชายคนนี้นับได้35แต่ความจริงมี32ก็คือมีอยู่รายหนึ่งที่สามีเขามีเมียน้อยสี่คน เป็นคนใช้หนึ่งเป็นหมอโนดหนึ่งเป็นผู้ตายบังคับบัญชานหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายอีกหนึ่งโยมก็เลยนับได้สาโยมก็ไม่ผิดอาตมาก็ไม่ได้นับผิดหรือจําผิดทันทีที่ท่านพูดจบญาติโยมทั้งบุรุษและสตรีที่อยู่หน้าที่นั้นพากันหัวเราะคิกคักคิกคักมีอยู่คนเดียวที่ไม่หัวเราะคือเจ้าของเรื่องเพราะ หล่อนหัวเราะไม่ออกทว่าหล่อนก็ไม่ได้โกรธคนเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่ได้หัวเราะเยาะหล่อนแต่หัวเราะเยาะความบ้า ก, กามและความวิจาฐานของผัวหล่อนต่างหากเป็นหล่อนหล่อนก็คงหัวเราะเช่นกันหากมาได้ฟังเรื่องบัตรสีบัตรถลินของผู้ชายงี่เง่าอย่างผัวหล่อนบัตรดนหล่อนก็คิดหาทางแก้แค้นผู้ชายปัญญานิ่มคนนี้ให้ยกมือขึ้น และพูดด้วยเสียงที่ทุกคนในที่นั้นได้ยินกันทั่วหน้าว่าหลวงพ่อคะสามีโยมเองคะ่ะท่านพระครูจึงบอกสตรีวรัยใกล้ห้าสิบว่าไม่ต้องแสดงตัวก็ได้ใครก็จะว่าหลวงพ่อเอาเรื่องไม่จริงมาพูดก่อจังเขาหลวงพ่อไม่กลัวเสียหายแล้วท่านพระครูห่วงชื่อเสียงของหล่อนจึงยอมไม่ห่วงและไม่กลัวความเสียหายของท่าน ยอมตัดสินใจแล้วค่าหลวงพ่อยมจะถือโอกาสประจานมันเสียแล้วพูดกับผู้ที่นั่งณที่นั้นเรากับเป็นผู้สมัครพูดแทนมหาเสียงว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเขาพเจ้าอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่าเขาพเจ้าเป็นคนโชคร้ายที่ได้คู่ครองไม่ดีสามีของเาพเจ้ามันเลวมากมันมีเมียน้อยถึงสี่คน เป็นผู้หญิงสามคนผู้ชายหนึ่งคนข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าหมาแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านตกเป็นเมียมันบ้างหรือเปล่าเพราะข้าพเจ้าเคยถามมันแล้วมันตอบว่าไปถามหมาแมวดูสิพอดีข้าพเจ้าพูดภาษาแมวไม่ได้เลยไม่ได้ถามนี่ขนาดมันเป็นข้าราชการตำรวจนะถ้าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อมันพ่อแม่พี่น้องต้องรู้จัก เพราะมันกำลังโฆษณาตัวเองเผื่อว่าเมื่อกเกษียณอายุราชการจะลงสมัครพู้แทนข้าพเจ้าตั้งชื่อพักให้มันว่าพักชาติหมาพ่อแม่พี่น้องอย่าหลงไปเลือกมันนะรับรองมันโกงบ้านโกงเมืองวอดวายเลยเพราะจะเอาเงินไปบำเรรเมียน้อยถ้ามีผู้สมัครชื่อพลตำรวจโทรช้าก่อนโยมช้าก่อนหยุดหยุดได้แล้ว ท่านเจ้าของกุฏิโบกไม้โบกมือให้หล่อนหยุดพูดขณะที่คนฟังรู้สึกกำลังฟังมันๆโยมอาตมาขอบใจที่โยมแสดงตัวแต่อาตมารู้สึกเสียใจที่โยมเอาสามีมาด่าประจานในที่สาธารณะทำไมโยมถึงทำอย่างนี้เล่าท่านตำหนิหล่อน ก็มันเร็วนี่มันชั่วช้าสารเลวเรวเสียยิ่งกว่าหมาข้างถนนลอนยังรู้สึกมันกับการด่าถ้าเขาเรวเขาชั่วช้าอย่างที่โยมว่ามาขอโทษเธอและโยมเอาเข้ามาเป็นสามีทาไมมีลูกด้วยกันตั้งสามคนไม่ใช่หรือและทำไมเอาพ่อของลูกมาด่ายอย่างนี้ล่ะโยมนี่ใช้ไม่ได้เลย อาตมาขอตาหนิต่อหน้าญาติโยมนี่แหละคุณนายในพลตารวจรู้สึกเดือดดาลที่ถูกขัดจังหวะจึงเถียงท่านว่าท่านเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เข้าข้างกันนะสิด็อกเตอร์แผนเห็นหล่อนกำลังบ้าระหำจึงต้องช่วยหล่อนด้วยการพูดว่าคุณนายครับหลวงพ่อท่านไม่ได้เข้าข้างผู้ชายด้วยกันหลอกครับคุณนายลองคิดดูสิครับหลวงพ่อท่านต้องการช่วยคุณนาย ท่านรู้อนาคตท่านคงเห็นว่าต่อไปเมื่อท่านในพลเป็นผู้แทนแล้วก็จะได้เป็นรัฐมนตรีคุณนายก็จะได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นคุณหญิงแต่ถ้าคุณนายมาด่าท่านในที่สาธารณะเช่นนี้ท่านก็อาจจะข อ, อยากับคุณนายแล้วยกย่องเมียน้อยให้เป็นคุณหญิงแทนก็ได้นะครับอุ้ยท่านด็อกเตอร์พูดถูกโธ่เอ้ยพี่ก็นึกโกรธหลวงพ่อ แหมพี่นี่มันโง่จริงๆหลวงพ่อท่านอุตส่าห์จะช่วยกลับไปโกรธท่านหลวงพ่อขายอมขอเข้ามาด้วยนะคะแล้วหล่อนก็กราบประลอกประโลอกสามครั้งท่านพระครูด็อเตอร์แผนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีณที่นั้นเกิดความรู้สึกคล้ายๆกันคือสมเพศเว ท, เวทนานหล่อนและคิดว่าหากสามีหล่อนได้เป็นรัฐมนตรีจริง ก็น่าสงสารประเทศชาติเพราะนักการเมืองยุคนี้หาดียากมีแต่พวกกอบโกยโกงกินกันไม่พักจะหาที่จริงใจกับชาติบ้านเมืองแทบจะหาไม่ได้นักการเมืองดีๆก็คงมีแต่ว่าตายไปหมดแล้วไม่ใช่ว่าตายจากนักการเมืองดีๆหรอกนักการเมืองชดชั่วที่ตายไปพร้อมกับป่าไม้หายไปทั้งป่าก็มีหลายคน ป่านี้คงพากันไปปลูกป่าอยู่ในเมืองนรกโอ้อ น, นาถชาติไทยจะไปรอดไหมนี่หลวงพ่อขาโยไม่เอาชื่อพักชาติหมาแล้วจะเปลี่ยนพักชาติคนหรือว่าพักชาติมนุษย์ดีคะคุณนายที่คิดอยากกลายเป็นคุณหญิงขอคำปรึกษาและแต่ชอบเธอะอาตมาไม่ชอบยุ่งกับการเมืองท่านพระครูคิดในใจว่า ถึงท่านจะไม่ชอบยุ่งกับการเมืองแต่ในอีกยี่สิบปีข้างหน้าการเมืองจะยุ่งกับท่านพวกเขาจะทําทางไปนรกให้ตัวเองเหมือนคนเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีถึงพระอินจะมาบอกว่านั่นเป็นกงจากนั่นเป็นความชั่วเขาก็หาเชื่อไม่ดังเรื่องที่นายมิตรวินทุกกะที่ปรากฏ อยู่ในมิตรวินทุกาชาดกเป็นต้นเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงบอกวิธีแก้ปัญหาให้สตรีที่สามีมีภรรยาน้อยทั้ง32รายพร้อมท่านยกตัวอย่างบุคคลที่แก้ปัญหาได้สําเร็จและไม่สําเร็จทว่าท่านไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลเหล่านั้นเพราะนั่นเป็นความลับส่วนตัวของพวกเขาที่บุคคลอื่นไม่ควรไปละลาบละลวง หลักการของการแก้ปัญหาสามีมีภรรยาน้อยก็คือต้องเอาความรักความเมตตาเข้าไปแก้ไม่ใช่เอาความเกลียดชังความร้ายเข้าไปแก้เพราะอะไรรู้ไหมไม่เป็นไรญาติโยมไม่ต้องตอบก็ได้เพราะเวลาน้อยให้ด็อตอร์ตอบคนเดียวก็พอดอตอรตอบมาสิท่านมอบหมายหน้าที่ให้ด็ตอร์แผนบุรุษวัย45ตอบว่า เพราะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างก็ต้องการความรักความเมตตาไม่มีใครต้องการความเกลียดชังหรือความร้ายครับดีมากนี่ต้องได้อย่างด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์เขาจะไม่มีภรรยาน้อยนะแต่เขาจะมีภรรยามากเพราะจะมีถึงสามคนท่านเน้นคาว่ามากและสาม เพื่อต้องการทำให้บรรยากาศคลึกครื้นบรรดาเจ้าทุกทั้งหลายพากันยิ้มเกิดความรู้สึกเหมือนกำลังชมภาพยนต์ที่มีทั้งความเศร้าโศกและความสนุกสนานรักคนกันเอาล่ะที่นี้อาตามาก็จะขยายความว่า เอาความรักความเมตตาไปแก้อย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างความรักความเมตตาให้เกิดมีในตัวเราก่อนซึ่งก็คือให้แผ่เมตตาทุกวันต้องแผ่ให้ใครก่อนรู้ไหมแผ่ให้คนที่เรารักที่สุดก่อนแล้วใครหลักที่เรารักที่สุดดตรตอบสิท่านถามเองตอบเองบ้างให้ดอกเตอร์แผนตอบบ้าง ตัวเราเองครับถูกต้องอันนี้มีที่มานะอาตมาจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคือพระเจ้าปรเซนทิแห่งแคว้นโกสนปรัสถามพระเทวีคือพระนางมาลิกาว่าในโลกนี้พระนางรักใครมากที่สุดพระองค์ทรงคิดว่าพระนางมาลิกาต้องตอบว่าหม่อมชั้นรักพระองค์มากที่สุดเพคะ หรือไม่ก็ตอบว่ารักพระธิดามากที่สุดเพคะแต่พระนางกลับตอบว่าหม่อมฉันรักตัวเองมากที่สุดเพคะพระเจ้าปเสนท่ทรงบริภาษคือทรงด่าเลยว่านางหญิงถอยเหตุใดจึงพูดเช่นนี้พระนางก็ทรงยืนยันว่ารักตัวเองมากที่สุดพระราชาทรงเกลียว เลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระราชาเตรียมจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าเอาละด็กเตอร์ลองตอบมาซิพระเจ้าประเสนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนไหนท่านใช้ด็ตอร์แผนเป็นหุ่นจะได้ไม่มีปัญหาตอนเที่ยงคืนครับหลวงพ่อดอตอ็ตรแผนตอบท่านจึงถามต่ออีกว่า พุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญเป็นประจำในแต่ละวันมีกี่ประเภทบอกมาให้หมดมีห้าประการครับ 1. ปุพพันเถรปินทปาตัญจะเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต 2. ส, สายยันเถรธรรมมเทสนังเวลาเย็นทรงแสดงธรรม 3. ามปโทโศเสภิกขุโอวาทางัง เวลาข้ามประธานโอวาทแกเหล่าภิกษุ 4. อัฏฐัตเตเทวะปัญหนังเที่ยงคืนท่งต่อปัญหาเทวดา 5. ปัจจุตเสวะคะเตกาเลพภบ พ, พับเพวิโลกนังจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรเสด็จไปโปรดหรือไม่ เอเตปัญจาวิเทกิจเจวิโสเทติโมนิปงคะโวพระพุทธเจ้าองค์พระมุนีผู้ประเสริฐ ท, ทรงยังกิจหประการนี้ให้หมดจดนอกจากพุทธกิจหประการแล้วดรแผนยังสรุปท้ายให้ด้วยเพราะตัวเขารู้สึกทราบซึ้งยิ่งนักในพระกรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาต หลวงพ่อคะหนูกราบขออภัยคะ่ะที่ต้องขอโอกาสเรียนถามเพราะนอกจากหลวงพ่อคงไม่มีใครตอบหนูได้หนูรู้จักพระเกจิเก่งๆ ก, ก็หลายรูปแต่ท่านเหล่านั้นไม่สามารถให้ความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ศิษย์ได้ท่านสอนอะไรก็ไม่รู้คือไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเหมือนหลวงพ่อสอน สตรีสาวผู้หนึ่งอารมณพบทค่อนข้างยาวด้วยเกรงว่าจะไม่ได้มีโอกาสตามที่ขอหนูจะถามเรื่องอะไรกอดถามเลยให้ถามคนเดียวนะแล้วก็ถามคําถามเดียวเดี๋ยวจะเลยเวลาท่านอนุญาตคือที่พระเจ้าปเปเสนที่กับพระนางมาลิกาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนนั้นจะไม่ไปรัดคิวเทวดาเหรอคะ พระมือตะ ก, กี้ด็อเตอร์แผนบอกว่าพุทธกิจตอนเที่ยงคืนคือส่งต่อปัญหาเทวดาขอบพระคุณค่ะหล่อนกระพุ่มมือไหว้ท่านเจ้าของกุฏิอาตมาคงต้องตอบเองเพราะหนูขอโอกาสอาตมาก็ขอตอบสั้นๆว่าไม่ได้ลัดคิวเพราะพระเจ้าประสิที่กับพระนางมาลิกาก็จัดเป็นเทวดาเหมือนกัน อันนี้มีในคำพีนะอาตมาต้องอ่างคำพีเพราะไม่ได้เป็นพระเกจิแต่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเกจิแล้วก็ไม่ยึดตัวเองเป็นหลักในคำพีกล่าวถึงเทวดาหรือเทพสามประเภทมีอะไรบ้างดอกเตอร์บอกมาให้ครบวันนี้อาตมามีผู้ช่วย มาช่วยทุกวันได้ไหมด็อกเตอร์อาตมาจะได้มีเครื่องผรแรงนี่อาตมาบินจากเมืองเดวีตั้งแต่ตีหนึ่งบัดนี้เวลา17นาฬิกาก็เป็นเวลา17ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้พักผ่อนคืนนี้กว่าจะได้จำวัดก็ประมาณตีหนึ่งแต่ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บันทมตีสองทรงตื่นบันทมตีสี่ มีเวลาบรรทมเพียงสองชั่วโมงแล้วบรรทมแบบสีหะสัยยาด็อเตอร์ช่วยสาธิตการนอนแบบสีหะสัยยาให้ญาติโยมดูหน่อยสิท่านสั่งหุ่นที่ไม่เรื่องมากก่อนจะสาธิตด็อกเตอร์แผนอธิบายความหมายของการนอนแบบสีหะสัยยาว่า สีหะสายยามาจากคำสองคำสมารกันคือสีหะซึ่งแปลว่าราชสีกับสายยาแปลว่านอนสีหะสายยาจึงแปลว่านอนอย่างราชสีคือนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามือซ้ายพาดไปตามลําตัวมือขวาช้อนศีรษะไม่พลิกกลับไปกลับมา มีสติสัมปชัญญะกำหนดใจถึงการลุกขึ้นไว้เมื่อดรแผนสาธิตเสร็จท่านพระครูถามญาติโยมณที่นั้นว่าไหนมีใครนอนแบบสีห์สยาบ้างยกมือขึ้นไม่มีผู้ใด ย, ยกมือท่านรู้ว่าบุรุษหนึ่งกำลังจะถามว่าท่านนอนแบบนี้หรือเปล่าท่านจึงชิงตอบก่อนที่เขาจะถาม อาตมาก็ไม่ได้นอนน่าจะมีแต่พระพุทธเจ้าที่ทรงทำได้อันนี้อาตมายังไม่แน่ใจฝากด็อเตอร์ไปวิจัยด้วยแล้วจึงบอกด็อเตอร์แผนอธิบายเทพสามประเภทบุรุษวัย45จึงอธิบายว่าเทพหมายถึงเทพพระเจ้าชาวสวรรค์เทวดาในทางพระาศาสนาท่านจัดเทพเป็นสามประเภทคือ หนึ่งสมมติเทพเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระราชาพระเทวีพระราชกุมารสองอุปติเทพเทวดาโดยกำเนิดได้แก่เทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลายสามวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย ฉะนั้นการที่พระเจ้าประเสติกับพระนางมาริกาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนเพราะพระองค์เป็นเทพประเภทไหนในสามประเภทที่ผมพูดถึงครับดรแผนถือโอกาสถามญาติโยมที่นั่งณที่นั้นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าประเภทที่หนึ่งจากนั้นดรแผนนิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้บรรยายต่อ เอาละทีนี้อาตมาจะสรุปให้สั้นลงว่าเมื่อพระเจ้าเปเสนที่เสด็จไปถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าณพระเชตวันจึงกราบทูลเล่าเรื่องที่พระนางมาลิกากราวว่ารักตัวเองมากที่สุดพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือทรงฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระนางมาลิกาเป็นคนไม่ดีที่ก่าวเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระเจ้าแผ่นดินว่าดูก่อนมหาบอพิษบุคคลในโลกนี้พระองค์ทรงรักผู้ใดมากที่สุดพระเจ้าแผ่นดินตอบว่าข้าพระองค์รักตัวเองมากที่สุดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยชั้นใด ตนของบุคคลอื่นก็ย่อมเป็นที่รักของเขามากฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นดอกเตอร์ช่วยแปลเป็นภาษาบาลีและบอกที่มาด้วยท่านสั่งดอกเตอร์แผนอีกครั้งตั้งแต่สนทนากับหลวงพ่อในป่าบนเครื่องบินเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาเศษท่านรู้สึกรักและเห็นความสำคัญของภาษาบาลีมากขึ้น ท่านจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาบาลีมากกว่านี้โดยเฉพาะในหมู่พระสงฆ์เพราะปัจจุบันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เรียนภาษาบาลีกันแล้วไปเรียนเรื่องทางโลกกันมากกว่าพระสงฆ์สมัยนี้จึงไม่ค่อยรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องทางธรรมส่วนเรื่องทางโลกก็สู้ขลื่องหัดเข้าไม่ได้เลยกลายเป็นว่าทางโลกก่อช้าทางธรรมก่อเสื่อม พอศึกหาลาเพศไปก็ไม่เป็นโลเป็นภายอะไรด็อกเตอร์แผนกล่าวคำบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พระเจ้าประส e n t พระราชาแห่งแคว้นโกสลพร้อมบอกที่มาดังนี้สเพทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคา ปิยะตระมัตนากวั จ, จิเอวังปิโยปุถุอัตตาปรสังตัดสมานาหิงเสอัตกาโมติอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่15ข้อที่348หน้าที่ร้อครับเอาละ่ะขออนุโมทนาที่นี่อาตมาจะบอกหลักการในการแก้ปัญหาว่าต้องเอาความรัก ความเมตตาเข้าไปแก้ก่อนอื่นต้องปลูกเมตตาให้มีในตัวเองก่อนคือการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีไปให้คนที่เข้ามาแย่งของรักของห่วงของเราไปไม่ต้องเถียงในใจว่าแผ่ไม่ออกอาตมาขอบอกว่าถ้าแผ่ไม่ออกก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝืนใจ อาตามาตั้งกฎไว้เลยว่าการทำความดีต้องฝืนใจอาตามาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าเราฝืนใจเฉพาะตอนแรกๆเท่านั้นเพราะมันทำยากแต่ถ้าเคยเสียแล้วก็ไม่ยากอย่างที่อาตามาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่โยมยายสอนว่ายากแท้แต่ไม่เคยนั่นแหละ โยมกอแผลเมตตาให้ภรรยา น, น้อยและสามีขอให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นไงโยมผู้หญิงค้านอาตมาในใจแล้วว่าหลวงพ่อพูดตลกใครจะไปทำได้อาตมาจะบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาใหม่ได้ใครที่ยังไม่เคยฝึกจิตยังไม่เคยแผ่มเมตตาก็ให้มาเข้ากรรมฐ า, านเจ็ดวันตั้งใจปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างมาก3ามเดือนแก่ปัญหาได้หรือคนที่มีศรัทธามีความเพียรเจ็ดวันแก่ปัญหาได้ก็มีจากนั้นท่านจึงตอบปัญหาที่เหลืออีก5้าเรื่องได้แก่ปัญหาเรื่องมีหนี้สินท่วมทน้นพี่น้องแย่งสมบัติกันถูกลูกหนี้โกงผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งเพราะไม่ให้ความร่วมมือในการช่อราบบางหลวง และปัญหาสุดท้ายภรรยามีชู้วิธีแก้ปัญหาก็คล้ายๆกับเรื่องแรกคือเอาความรักความเมตตาเข้าไปแก้แล้วท่านก็สั่งด็อเตอร์แผนให้อัญเชิญพระพุทธวจนะในโกทวักมากราวให้ญาติโยมณนะที่นั้นฟังทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมที่มาด็อเตอร์แผนจึงอัญเชิญพระพุทธวจนะในโกทวักมาก่าวดังนี้ อโกเทนะชิเนโกธังอสาทุงสาธุนาชินเนชินเนกธาริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาทินังพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนตระหนีด้วยการให้ชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อที่27 หน้าที่45ครับขอบคุณขออนุโมทนากับดรที่มาช่วยอาตมาแม้น่าจะมาบวชอยู่ด้วยกันเสี้ยวัดนี้เลยแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเนื้อคู่สามคนเขาจะมาอารวาดทำวัดอาตมาพังท่านพูดยิ้มยิ้มเพราะรู้ว่าเขามาไม่ได้เนื่องจากยังต้องการใช้กรรมกับสตรีอีกสามคนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ต่อจากนั้นจึงจะถือเพศบรรพชิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านจึงพูดกับญาติโยมในที่นั้นว่าพระพุทธวจนะที่ด็อกเตอร์อัญเชิญมาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนั้นอาตมาได้นำมาสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาให้จำง่ายๆว่าเขาโกรธอย่าโกรธตอบเขาร้ายมาให้เอาดีเข้าแก้ไขคนตรหนีให้ของที่ต้องใจ คนพูดเลวไหลเอาความจริงเข้าไปสนทนาโยมจะจำแบบนี้ก็ได้แต่ขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วจะประสบความสำเร็จขออนุโมทนา